4.16 ความสุขมีหลายแบบวงเล็บเปิด18พฤศจิกายน2549ในวงเล็บสองจุดจุดนาที25วงเล็บปิดถ้าจิตเราจำสภาวะได้แม่นเช่นถ้าเราจำได้ว่าเผลอไปคิดเป็นอย่างไรพอใจไหลไปคิดแวบมันจะรู้สึกขึ้นมาเองฉะนั้นฝึกดูไปเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะได้มากจำสภาวะได้แม่นสติเกิดได้เยอะเลยมีความสุขเยอะ อันนี้มีความสุขเพราะมีสติยังมีอีกนะความสุขเพราะมีสมาธิใจที่ตั้งมัน่นใจที่สงบอ่อนโยนนุ่มนวลมีความสุขเป็นอีกอย่างหนึ่งเวลาที่จิตใจเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมานะจะมีความสุขสองวันสามวันเจ็ดวันอะไรอย่างนี้แล้วก็หายไปไม่เที่ยงเหมือนกันความสุขเพราะวิมุตติก็มีจิตใจมาหลุดออกมานะมีความสุขนี่ความสุขมีเยอะนะมีหลายแบบ ยังความสุขของนิพพานนี่เยอะ